เพไปวิจัยรูปนามก็จะเจาะเข้าวิจัยเข้าถึงความจริงสรุปก็คือไปวิจัยรูปนามขันห้าในทวารตาวิจัยรูปนามขันห้าในทวารตามองออกไหมฉะนั้นเวลาเวลาท่านวิเจาะวิจัยไปเบ็ดเสร็จเนี่ยท่านก็จะบอกบอกว่าจักขวิญญาณเป็นวิญญาณขันเห็นหมนี่นี่เป็นสมุหานะเนี่ยนะท่านต้องการกระจายสมุห์คณะนะเวทนาที่อยู่ในนั้นเป็นเวทนาขัน แล้วก็สัญญาที่อยู่ในจกักรูญานเป็นสัญญาขนันเจสิกที่เหลืออีก5เป็นสังขารละขนันแล้วก็จักขุปศาสตร์เป็นที่อาศัยของจกักรูญานและเจสิกที่ประกอบเป็นรูปรขนันแม้รูปอารมณ์ก็เป็นรูปขันท่านต้องการให้แยกขันห้าในนั้นนั่นคือสมูหะคณะจะได้ถูกทําลายสมูหะคณะจะได้ถูกทําลายไปในการวิจัยที่จิตที่มีราคาที่เชื่อมโยงในจกักุทวารลวิถีเป็นต้น แล้วเมื่อเมื่อชัดเจนในจักรคุญยานเนี่ยสัมปติชนะสันติระนาวธฒิปณะเนี่ยตรงนี้อะไรเนี่ยความชัดเจนมันก็จะ ง, ง่ายขึ้นแล้วอย่านี้เขาเรียกเจาะฐานไปตัวที่เป็นประธานของเขาซึ่งมีจกักุวิญยานวิถีเป็นเป็นประธานก่อนที่พอไปขึ้นถึงไอ้กรณีแห่งโลภะเมื่อกี้ที่โยมถามว่าไอ้กรณีแห่งโลภะเนี่ยลักษณะนี่ไปเจาะลักษณะแล้ว ท, ที่จริงถามว่า ตัวลักษณะของปัญจทวารแล้วชนะก็มีนะลักษณะของจักรคุญยานก็มีลักษณะของสั ม, สมปติชนะสันติระนะวัฏทะปณะและชาวนะทุกอย่างเหล่านี้เนะี่ยท่านเลยวางลัคณาที่จะต ก, กุกาวไว้หมดเลย<า>เห็นไหมที่เราเรียนกันมาเนี่ยไม่ใช่วางไว้เพื่อสอบแต่วางไว้เพื่อวิจัยสิ่งเหล่านี้ตรงนี้แหละนา ม, มาทำเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยแต่ แต่ท่านบอกว่าถ้าเข้าใจในชั้นของคําสอนแล้วเนี่ยถ้าวิจัยแล้วเกิดมันมัวไม่ชัดก็ให้ไปวิจัยรูปกรรมฐานก่อนสมาธิให้แข็งแรงหน่อยแล้วก็กลับมาวิจัยต่อเช่นว่างี้เหมือนกับการได้ฌานสมาบัตินั่นแหละก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าหากกิจจรักษณะของโลภะการติดแน่นในลมดุดชิ้นเนื้อที่โยนไปในกระทะที่ร้อนนิกิจของราคะจิต ท, ที่มีราคะ ก็คือติดแน่นอย่างนั้นแหละไม่ออกแกะยากมากอันนี้ก็คือว่านั่นนะ่ะลักกิจรัศกก็ถ้าเราเห็นกลุ่มนามมาทำอย่างนี้ก็ชัดเลยเนีย่คือโลภะแล้วเพราะเหนียวแน่นต่อลมเหลือเกินไม่ยอมพากไม่ยอมจากจากรมนั้นปัจจุปฐานนะก็คือว่าไม่สามารถทิ้งอารมณ์ได้เหมือนขมเหลน้ำมันที่ติดสนิทในผ้าไม่ทิ้งได้เลยเอาลายอวอนี่ลักน่ะโลภะเป็นอย่างนี้ก็รู้โนี่ไง ประทัดฐานนก็คือว่าเขียนว่า ง, งามเขียนว่า ง, งามในลมเป็นของสังโยชน์ทั้งหลายความใส่ใจว่า ง, งามว่าดีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าของบางอย่างไม่งามหรอกแต่อาศัยบางคนเนี่ยเชิญชวนและโฆษณาใช่ไหมอย่างเช่นเราดูเพชรไม่เป็นต้องให้คนชำนาญดูเพชรมาดูคือคนนี้มันมีโลภะวิจิตมากนันก็ที่บายเราฟัง โลพาเราก็ได้กําลังใช่ไหมลองมาอธิบายน้ําของเพชรโอ้โหอธิบายชัดเจนมากของไม่ดีอะไรเลยรอยนักออกแบบทั้งหลายอะ่ะใช่ไหมกลุ่มเหล่านี้เขาโลพาเขาวิจิตนี่แล้วก็ทิฐิเขาวิจิตด้วยใช่ไหมเขาคิดพอคิดขึ้นมาก็โอ้โหนี่โลพากระจายเลยทีนี้ยโลพาเออทิฐิเลยตั้นหาจริตทิฐิจริตเนี่ยทํางานมากทีนี้พอเรามองไม่เห็นมุมเลยว่างามยังไงเขาเลยต้องมีการมีการ โฆษณาบอกและอธิบายบอกวิธีเนียคุณต้องมองแบบนี้ใช่ไหม ก, ก็เหมือนคนไปมองสองพระ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาเห็นมุมนะ <c oughs> เขามองปุ๊บเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าโอ้โหเนื้อนี่เก่า <c oughs> เขาว่างั้นนะบอกโอ้โหเนี่ยพอส่องไปส่องมาเนี่ยในนี้อว่างั้นบอกว่า <c oughs> อาแตกแล้วด้วยเนี่ยแตกแล้ว <c oughs> ใช่ไหม แต่ถ้าผิวคนแตกรายงานนี่ไม่งามนีแต่ปลาเครื่องก็แตกรายงานนี่ยิ่งงามถ้าผิวใครแตกเลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกประทัดฐานนะก็คือกลุ่มตรงเนี้ถามว่าโลภะเกิดเพราะอะไรแล้วแต่นี้ยอ๋อการใส่ใจว่างามนี่ไอ้ตรงนี้นี่เองฉะนั้นเมื่อไปวิจัยจนชัดเจนอย่างโลภะเบ็สเซตเนี่ยก็จะเห็นเหตุปัจจัยเห็นประทัดฐานของโลภะว่าโลภะเนี่ยเกิดขึ้นจากการใส่ใจผิดว่างาม ใส่ใจผิดว่าดีใส่ใจผิดว่ายอดว่าสวยต่างๆ่างอะเนี้ยนั้นเวลาคิดมุมนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยโลภะที่ไม่ได้กำลังก็ได้กำลังขึ้นที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าถึงความเจริญเข้าถึงความไปบุญมากขึ้นในกรณีอย่างเนี้ยฉะนั้นการวิจัยว่าจิตที่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเขารู้อะไรหนึ่งรู้จักลักษณะของโลภะรู้จักไอ้จิตของโลภะรู้จักอาการปรากฏแล้วก็รู้จักเหตุใกล้ของโลภะ พอรู้จากเหตุใกล้ของโลภะเบีดเสร็จแล้วก็บอกว่าเวลาโลภะเกิดขึ้นใช่ไหมท่าในชั้นของธรรมานุปัสสนาเนี่ยท่านก็สอนให้ตั้งโยนิโสมนัิการยังไงพิจารณาอสุภานณีมิตรอย่างไรแล้วก็สอบถามใครควรยังไงที่จะเป็นปัจจัยในการป้องกันไม่ให้สภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอันนั้นคือหลักแห่งการวิจัยหลักปฏิบัตินะในการที่จะป้องกันไม่ให้โลภะจิตเกิดขึ้นแล้วก็ต้องการเข้าไปทะลุทะลวงเห็นความจริงของโลภะแต่เขาบอกอย่างนี้ การวิจัยอกุศลเนี่ยวิจัยไปวิจัยมาเบ็ดเสร็จแล้วนะ่ยต้องสลับกับการวิจัยกุศลด้วย<ม>เพราะ<ม>ถ้ามองแต่อกุศลอย่างเดียวเนี่ยจะจะเศราจะเศร้าหมองมอันนี้เป็นเรื่องแปลกทุกรายลองให้ไปนั่งวิจัยบาปดู ว, วิจัยแต่บาปแต่บาปอย่างเดียวอยู่อย่างยาวนานเนี่ยนักเข้านักเข้าไม่ช่มชื่นเพราะรู้สึกมันจะกุศลที่จะเป็นโสมนัสน่ย ไม่ไม่ค่อยเป็นเลยเพราะอารมณ์อารมณ์ก็ไม่น่าปรารถนาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะปกติเนี่ยก็ต้องมามาพิจารณาตัวมโนธรรมวิถีนี้ตนเองอยู่แล้วใช่ไหมที่เข้าไปวิจัยใช่ปัญญานำจริงไหมใช่สติปนำจริงไหมเนี่ยนั้นส่วนหนึ่งแต่การวิจัยส่วนนี้มันจะไปห่วงหวงวิจัยตรงนี้มากเกินไปก็ไม่ได้จิตก็เลยมาเพ่งในการที่จะไปดูพวกกลุ่มราคาจิตลักษณะของราคาจิต จิตของลาค่าจิตอาการปรากฏของลาค่าจิตแล้วก็เหตุใกล้เหตุใกลข้ของราข้าจิตเป็นต้นแล้วก็ที่เป็นไปนางทวารต่างๆเป็นต้นความหมองในใจก็มักจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็สลับเป็นการเจริญกุศลวิธีเขาแก้ๆอย่างเงี้ยนะสลับเป็นการเจริญกุศลไปด้วยตรงนี้ก็คือกลุ่มอากุศลธรรมตรงนั้นก็คือมีลสภาพที่เวทนา ก็อยู่ในโลภะนั่นแหละสัญญาเจตนาสภาพที่กระตุ้นเตือนธรรมชาติที่เกิดพร้อมกับสู่อารมณ์ก็อยู่ น, นั้นเ อ, เอกขตาที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สภาพที่ไม่ให้ทำที่เกิดพร้อมกับตนกระจัดกระจายชีวิตินทรีย์ก็ ร, รักษาสัมยุต ธ, ธรรมก็อยู่ในนั้นมนัสิกา ร, รก็มุ่งนำสัมยุต ธ, ธรรมวิตกก็ยกธรรมวิจารณก็คร่าวคลึงอธิมโมกข์ตัดสินเนี่ยนะวิริยะปีติฉันทะแม้โมหะที่ไม่รู้ตามความเป็นจริง ของอสุภะอารมณ์เนี่ยนะคือไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าที่จริงมันไม่เที่ยงแต่ความที่ว่าโมหะเกิดขึ้นก็เลยเห็นเป็นของเที่ยงเป็นอัตตาเป็นตัวตนไปตรงนี้เป็นปัจจัยทําให้โลภะเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะโมหะไปปิดความจริงของจิตไว้ดวงตาคือปัญญาจิตก็บอดสภาพโลภะก็เกิดขึ้นอหิริกะก็ไม่อายชั่วกลัวบาปเนี้ยก็เป็นเหตุทำให้โลภะเกิดได้ง่ายอนตุตตะปะ ก็เลยเป็นเหตุทำให้โลภะเกิดได้ง่ายอุทธะสภาพที่พุ้งสัน้นโลภะก็ยึดอารมณ์ว่าของเราสภาพที่ต้องการอารมณ์สภาพที่ติดในอารมณ์ก็เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันทิฏฐิก็กํากับลงไปด้วยว่าเออสวยด้วยดีด้วยเนี่ยนะแล้วก็เที่ยงด้วยเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนด้วยก็เกิดร่วมกับโลภะสภาพต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนี้แหละคืองานที่งานที่ปัญญาสติและปัญญาทั้งหลายจะต้องไปวิจัย สภาวะธรรมเหล่านี้ที่เกิดในโลภะนี่วิจัยแบบเนี้ยแต่ยากไหมมองนี่ยากไหมมันเรื่องของการวิจัยเรื่องของธรรมวิจัยจริงๆนะที่จะต้องไปสืบคน้นจริงๆแต่ถามว่าแล้ววิธีอย่างนี้จะสอนอยังไงที่จะแนะนํำยังไงให้คนที่คนที่ฐานไม่มีเลยเอ่ะใครองเสนอได้ ฐานน้อยเลยมีไหมไม่มีเลยเอามีไหมฐานที่คนไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยเราจะแนะนําก็ยังไงว่าเบื้องต้นให้จิตที่มีราคะเขาไม่รู้เลยเวลาคะหรือโทรศัเป็นยังไงเนี่ยเขาแยกไม่ออกเลยเขาจะกาหนดยังไงใครลองช่วยมุมมองวิธีจะทำไง ถ้าจะช่วยคนอื่นในการวิจัยจะเลือกตนเองก่อน รู้เพียงว่าถ้ารู้ว่าอะไรยามอะไรมีรูปแล้วก็รู้เหตุปัจจัยในลักษณะของกรรมการในผนของกรรมในบางอย่างหรือว่าช่วยใส่ความได้ไหมอ๋อใช่กรรมมาสตรตา เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะเข้าใจไหมพอไปถึงแล้วจะทำยังไงการเวทกางจิตธรรมและมันเกี่ยวข้องอย่างไรจะสามารถสอบตัวจต่างๆได้ไหมว่าเอ๊ะาคนปอกว่าจำรพีแบบครแล้ว อ, อย่างเนี่ยเว่าไม่รู้ข้อนี้ยังเข้าใจกันได้ควาฟังถูกเอยๆก็เข้าใจตรงตรงัวขาดฟัง น, น, นะคะแต่ไม่ทราบว่าคามประมวลมาเพื่อห้เข้าสู่การ ปฏิบัติโดยเข้าใจอย่างของแท้หรือการปฏิบัติอย่างนีอันนี้เนี่ยโดนักปัตต้องตั้งามเดียวเพื่อให้กลุ่มที่เรียนเนี่ยชื่อโยงสามารถจากการที่ความแล้วจะสามารถไปฏิบัติได้่ะแล้วอ้าวใครลองแสดงทัศนะหน่อยดีว่ากรณีอย่างการที่เรา เราฟังสติปัฏฐานเนี่ยมุมที่เราสามารถเอาไปใช้ได้เอาไปไข้ควรได้หรือไปพิจารณาได้เนี่ยเอาไปพิจารณาหรือไข้ควรได้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นมุมไหนที่ที่มันมันชัดเจนคือพิจารณาได้เลยเล ย, เลยมีไหม เอาไงว่ามาเชื่อมโยงเกี่ยวกับการที่รากาถึงนะคะตั้งแต่มีปัสนาญานนะคะราเ่าเป็นสุตติขันศีลเราเ่ถึงคนยื่ทาและเราข่าถึงการสุตติขันศทั้งหมดเเชื่อมโยงยังไงเราเดินไปอย่างไรที่ความเข้ใจว่าต้องโดยจุดหที่ช่วยค่ะทักเอ๊ะคนจักกัน เอาสถิต <toys> ิประทานสีเป็นทางสาเียทางสายเดียวเอ๊ะสงใส่กันถ้าดูในสมัสึกาการสถิติประานีแสดงเลเพียงไม่กี่ิ้วเท่านั้นเองะเป็นไเอ๊ะเราอเนอย่างไร่จะให้คนเห็นภาพรวมว่าแท้กินแล้วแล้วเ่เกี่ยวข้องที่นว่าอย่างไรเพื่อเกิดความเข้าใจโดยโดยรวมทั้งหมด ถ้าถามอย่างนี้ก็คือว่าในธรรมจักรกับประวัตนาสูตรมีสติปัฏฐานในนั้นไหมต้องถามอย่างนี้นใช่ไหมถ้ามีส่วนไหนเป็นสติปัฏฐานเออในธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเนี่ยใครมองเห็นไหมว่ามีสติปัฏฐานใน น, นั้นหรือเวลาแสดงอริยสัจ <c oughs> แสดงอาทิตตปริยยสูตรเป็นต้นเหล่านี้นะ หรือแสดงสูตรต่างๆคำสอนต่างๆเนี่ยแล้วแล้วไหนสติปัฏฐาน<ม>ใช่ไหมหรือถ้าอย่างนั้นก็เลยเลยพุ่งประเด็นไว้ว่าถ้าพุทธานุสติใช่สติปัฏฐานไหมธรรมานุสติสังคาศีลาจาคาอุปสมาเนี่ยรตรงนี้อะที่บอกว่าถ้าเข้าใจตรงนี้เสียเนี่ย เราจะได้มองเห็นว่าอ๋อพระศ า, าสดาทรงสแสดงสติปัฏฐานไวไ้แม้แต่ที่บอไปกล่าวบอกว่าอนุตริยะหทัศนานุตริยะสวนานุตริยะเป็นต้นอะไรเนี้ยนะลาพานุตริยะเป็นต้นเนี่ยการเห็นอันเยี่ยมคือเห็นพระตถาคตสาวกของพระตถาคตอย่างเงี้ย เ, เป็นสติปัฏฐานยังไง เป็นสติ<ม>ปรฏฐานยังไงให้สังเกต ด, ดูนะว่าการเห็นเนี่ยบอกว่าการเห็นช้างมากช้างแก้วมาแก้วคุณพลแก้วแก้วมณีเนี่ย<ม>หรือไปการเห็นการแสดงต่างๆเหล่านี้นะอันนั้นไม่เรียกว่าทัศนานตรติยะเพราะการเห็นเหล่านั้นน่ะไม่เป็นไปเพื่อความหมวดจด<ม>บริสุทธิ์จากกิเลส<ม>ใช่ไหมไม่สามารถที่จะเป็นไปเพื่อความที่ว่าจะดับวัตทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ได้ สรุปก็คือถ้าในสติปัฏฐานเนี่ยอนิสงส์ของเขาเป็นยังไงหรือไม่อย่างสติปัฏฐานหนึ่งคำว่าเอกายโนยาพิเกเวมาโคเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรบุริสธิ์หมดจดของเ่าสัตว์สองเพื่อความดับอะไรเพื่อความดับอะไร โกปริเทวะใช่พก้าวล่วงทุกขโทมนัสแล้วก็เพื่อเพื่อบรุยยธรรมยยะเนี่ยเข้าถึงน่บรุเข้าถึงอริยมรรคเข้าถึงยยธรรมแล้วก็นิพพานศาสรัจจิริยะเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งใช่สรุปก็คือนี่ทัศนานุตริยะอนิสงฆ์ก็อย่างเนี้ย การเห็นพ <edges. S 2> <ul true> ัฒนาคตการเห็นสาวะของพัตนาคตเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์เป็นไปเพื่อการที่จะก้าวล่วงโสกกะปริเทวะเป็นไปเพื่อการดับศูนย์ไปแห่งทุกข์และโทมนัทเห็นไหมเป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคเป็นไปเพื่อการกระทําพระนิพพานให้แจ้งเหมืองะว่าทําไมอันิสงสงเหมือนกันเลยทัศนานุตริยะก็เป็นอย่างนี้สวนานุตริยะก็เป็นอย่างนี้ ลาพานุตริยาปริจารเจา น, นุตริยาเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นเหล่านีนะ้การได้เห็นที่เยี่ยมการได้ฟังที่เยี่ยมหรือการได้ลาบที่ยอดเยี่ยมทั้งหลายการเห็นพัฒถาคตสาวกของพัฒถาคตจะกลายเป็นสติปัฐานได้การฟังของทำของพัฒถาคตหรือสาวกของพัฒถาคตนั่นแหละก็เป็น เป็นสติปัฏฐานได้เพราะฟังแล้วทําให้ได้อะไรได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขารศีลาจาคาอุปสมาภิตรุ่นอันนี้งายคือจุดเชื่อมโยงลงสู่สติปัฏฐานตรงนี้นี่แหละที่เมื่อกี้ยอมบอกว่ายอมอีการบอกว่าเราจะเชื่อมโยงลงได้อย่างไรว่าจริงๆถ้ากล่าวในสูตรพุทธเจ้ากล่าวสติปัฏฐานไว้ไม่กี่ที่ ที่บอกชัดๆเลยว่าเป็นตัวสติปัฏฐานเอกายาโนยังพิกเวมะโคแล้วก็พูดถึงในเรื่องกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาจิตตาและธรรมานุปัสนาใช่ไหมแต่พอไปดูในที่ต่างๆเอกล่าวไปอีกมุมแต่ลงสรุปสรุปอา น, นิสงส์เท่ากันใช้อา น, นิสงส์หมวดเดียวกันไปสรุปไว้อันนี้บง่งบอกอะไรบ่งบอกนี่งไงสติปัฏฐานเพราะดังได้กล่าวไว้แต่ทีแรกก็ว่า กายานุปัสสนาได้แก่รูปขันธ์เวทนานุปัสสนาได้แก่เวทนาขันธ์จิตานุปัสสนาวิญญาณขันธ์ธัมมานุปัสสนาก็คือสัญญาขันธ์ได้สังขารลขันธ์สรุปแล้วก็คือว่าขันธ์ห้าก็ย่อลงโนรูป ก, ก, กระนามในที่ใดพระศ า, าสดาสอนให้เข้าไปไข้ควรขันธ์หอายตนะท่าสั จ, จเป็นต้นเหล่านี้ก็คือสติปัฏฐานถ้าเข้าใจงี้ชัดไหม ถ้ามองอย่างนี้จะเริ่มเห็นคําสอนของภาษาสดาว่าสติปัฏฐานเป็นปุพพภาคของมรด้วยแล้วก็สามารถไปประชุมในโลกุตละใช่ไหมนั้นสติปัฏฐานมีสองส่วนสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะกับสติปัฏฐานที่เป็นโลกุตละสมภัททานอิทิบาทอินท ร, รมมียปะลโพชงมรที่เป็นโลกิยะและเป็นโลกุตละถ้าแยกอย่างนี้เริ่มชัดแล้วเราจะได้เห็นว่าอ๋อคาสอนของภาษาสดาเป็นสติปัฏฐาน เป็นสติปัฏฐานสอนสติปัฏฐานแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าเป็นอย่างไรเพราะสติปัฏฐานนั้นจะต้องเชื่อมโยงสมถะและวิปัสนาแล้วก็ต้องสามารถประชุมในมรรคผลนิพพานเป็นมรรคผลเป็นต้ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะเริ่มเข้าใจคําว่าสติปัฏฐานแล้วพอจะมองออกไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดภาวะว่าถ้ากรณีที่บอกว่า อนุอนุตริยาหรือเกี่ยวในเรื่องของของวิมุตตายาตนาเนี่ย<ม>ใช่ไหมฟังธรรมจากพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าสแสดงธรรมเนี่ยสาธยายธรรมเดี๋ยวไม่เป็นสติปัฏฐานอีกแล้วแต่เนี้ ย, ยจะยุ่งอีก<ม>ใช่ไหม <c oughs> ฟังธรรมตรึกธรรมก็ไม่เป็นสติปัฏฐานหรือเอาอนุสติเรือเอากรรมฐานสี่สาสิบดอย่างใดไปไข้ควร<ม>ก็ไม่เป็นสติปัฏฐานเลยไปแยกนี่สมถะนะนี่เป็นวรรณา ก็ไม่เข้าใจคําว่าสติปัฏฐานอยู่ดีถ้ามองมองพระมองคําสอนของพระเจ้าสรุปลงสติปัฏฐานอย่างนี้ก็ชัดแล้วชัดแล้วแล้วก็บอกว่ารเขาจะบอกเข้าใจสติปัฏฐานก็คือเข้าใจคําสอนของพระเจ้าแล้วพ่อจะมองเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าสรุปได้เป็นแยกเป็นแยกได้แต่ว่าพูดให้เข้าถึงได้ไหมเจาะให้เข้าถึงได้ไหม ว่าอย่างยกได้อย่างพุทธคุณเนี่ยจะเป็นสติปัฏฐานอย่างไรเอาละตันี้คําถามเพราะพูดมานานแล้วเหี้อกถามเอายอมยอมแก้ว <c oughs> พุทธคุณเป็นสติปัฏฐานอย่างไรเอาละตัเนี้ยมุมไหนที่เป็นสติปัฏฐานใช่ไหมก็ก็ลองวิจัยแล้ว เดียวก็จะไม่รู้ว่าพุทธคุณเป็นสติปัฏฐานอย่างไรใช่ไหอเอาแล้วแล้วอะไรคือสติปัฏฐานแล้วแต่เนี้ยก็เริ่มนั่งคิดใหญ่แล้วแต่เนี้ยใช่ถ้าสติปัฏฐานเนี่ยพูดถึงเรื่องตัวไหนสติปัฏฐานพูดถึงเรื่องตัวไหน สติปัฏฐานก็ตัวสติใช่ไหมตัวสตินั่นแหละสภาพธรรมที่ทําให้เกิดพร้อมกันกันกบตนระลึกมั่นต่ออารมณ์สติปัฏฐานเป็นต้นดุดแผ่นหินจมไม่ลอยเหมือนลูกน้าเต้าอเอาละสิแต่เนี้ยอารมณ์พุทธานุาสติเนี่ยอารมณ์ขอ ง, ข อ, งอารมณ์ของสติได้แก่อะไรเอาละแต่เนี้ย อารมณ์ของสติได้แก่อะไรค <lak S 3> <location, S 1> ุณของพุทธเจ้ามีสองส่วนใช่ไหม<ช>ส่วนที่เป็นโลกิยะคุณและส่วนที่เป็นโลกุตละคุณอ<ช>่า <ๆ S 2> ส่วนที่เป็นโลกิยะคุณและส่วนที่เป็นโลกุตละคุณเก<ช>ี่ยวในเรื่องของบารมีธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาทรงกระทำมาในด้านของทานเจตนาโยธาทาเนนะ สีละเจตนาโยธาเป็นต้นเหล่านี้กองทัพของทานบรารมีกองทัพของศีแลบารมีเนคขมาปัญญาวิทยาเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าถ้าพูดถึงทานกุศลเนี่ยเป็นร <c oughs> ะลึกถึงทานทานบรารมีของพระาศาสดาเนี่ยเป็นคุณของพระาศาสดาระลึกถึงคุณของพระาศาสดาท <c oughs> านกุศลเนี่ยเป็นปรมัดหรือบัญญัติเอาเลยทีนี้ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทานนากุศลเนี่ยเป็นปรมตัตหรือบัญญัติตอโลพาทานเจตนาทานเห็นไหมเจตสิกทานทั้งหลายเหล่าเนี้ยอโลพาทานเนี่ยเป็นนามธรรมนะเนี่ยเจตสิกทายไหมเจตนาทานเนี่ยทีนี้พอมามองอย่างนี้ก็จะเห็นแล้วแล้ววัตถุทานล่ะสรุปลงก็คือดินน้ำไฟลมใช่ไหมถ้าภายนอกเป็นภัยอิริทานเนี่ย พรหิรฐานก็คือดินน้ำไฟลมที่สมมุติว่าเป็นผ้าที่พระองค์ทรงให้ดินน้ำไฟลมที่สมมุติว่าเป็นเป็นข้าวของเงินทองทั้งหลายเป็นเพชรเนินจินดาทั้งหลายก็คือดินน้ำไฟลมที่พระองค์ทรงสละ <c oughs> ดินน้ำไฟลมที่เกี่ยวกับในเรื่องของราชบัลลังก์ทั้งหลายโคกระบือช้างมาวัวควายทั้งหลายที่พระองค์สละอย่างมากมายข้าทาสบริบาลลองไปดูใน อาบทานที่ที่นางพิมพาลยาโสธร า, าท่านเปนลาพระบรมศาสดาปรินิพานเนี่ยเปลาปรินิพานน่ยพระนางบอกว่าอย่างไงพระนางบอกว่าตอนเป็นลาพระศาสดาจักนิพพานพระศาสดาก็บอกให้เธอรู้การันควรแล้วพระนางก็บอกว่าไงบอกว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญ ขอให้พระ อ, องค์นั้นนะ่ยจงรู้กรรมของหม่อมชั้นที่ทํามาพระศ า, าสดาก็เลยบอกให้นางเป็นคนบอกว่านางทําอะไรมาเนี่ยจึงได้เป็นพิมพาเถรีเนี่ยทำกรรมอะไรมานางก็ฆ่าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญไวานางก็เริ่มเล่าตั้งแต่เสียสงขายยิ่งด้วยแสนกับนางเป็นบุตรตรีของพราหมณ์ชื่อว่าสุมิตรา เห็นข้าวเฝ้าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ำว่ากัสปาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมได้ภิกษุสงฆ์สี 0,000 รูปเสด็จมานางถือดอกบัว8ปดกำมือในวันนั้นน่ะนางเห็นสุเมธาดาบทนอนทอดล่างก็คือเห็นท่านนี่แหละเห็นพระศาสดานี่แหละเมื่อเสียสงไข่ที่แล้วน่ะนอนทอดกายถวายเป็นชีวิตเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาเพราะให้ภิกให้ภิก พระพุทธเจ้าและสาวกของพระศ า, าสดาสี่แสนเหยียบข้ามนั้นน่ะตั้งจิตปราถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นนางก็เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระทีบังกรสามาสมพุทธเจ้าและศรัทธาในท่านพอศรัทธาเบนะ็ดเสร็จเนยข้าพเจ้าก็เอาดอกบัวห้าดอกถวายท่านข้าพเจ้าเอาไว้สามแล้วข้าพเจ้าก็บอกว่า ค้าแต่ท่านดาบทผู้เจริญดอกบัวห้าดอกเป็นของท่านสามดอกนี้ข้าพเจ้าเมื่อรวมกันเป็นดอกเป็นสองเป็น8ดอกดอกบัว8ดดอกนี้เราทั้งสองจะร่วมกันข้าพเจ้าจะส่งเสริมท่านให้ท่านได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ปรารถนานี่ไง แล้วนั่นแหละคือการตั้งมโนรถขอ ง, ของนางที่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสัมโพธิญาณในการสนับสนุนท่านพว น, นี้ให้เข้าถึงฝั่งคือสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ตั้งอัธยาศัยแล้วแล้วนางก็ลำพันต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้ายพระองค์เนี่ยสละหม่อมชั้นเนี่ยให้เป็นภรรยาของบุคคลอื่น มากกว่าพันโกรธกับข้าพเจ้าก็ไม่เคยเสียใจเลยที่มีวันนี้มีสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่เคยเสียใจเลยนท่านเคยสละข้าพเจ้าให้เป็นทาตบริวารบุคคลอื่นมากกว่าพันโกรธกับข้าพเจ้าก็ไม่เคยเสียใจเลยเพราะถ้าไม่มีวันนั้นสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่มีเลยเห็นมในทํานองอย่างนี้แล้วก็ ท่านสละข้าพเจ้าให้เป็นอาหารของบุคคลอื่นมากกว่าพันโกดกับข้าพระเจ้าก็ไม่เคยเสียจเนี่ยท่านก็ไล่กรรมของเธอมาไลา่ลามาตามลาดับถ้ามามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าที่ถูกสละนางมัสีนั้นส่วนเดียว <c oughs> นิดเดียวครั้งเดียวนั่นคือมหาบริจาคถามว่า ใจใจที่คิดอย่างนี้เห็นไหมว่าคำว่าสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นองค์ขาพยกขนาดใหญ่เป็นตัวเกื้อหนุนกลัวจะได้คำนี้มาแล้วเนี่ยกว่าจะได้สัมมาสัมโพธิญาณมาเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่านางตั้งอัธยาศัยแต่นางบรรลุก่อนเราอะชะลอยว่าพวกเราไม่ได้ตั้งอะไรกันเลยเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม เรานี้ก็โอ้โไกลจังยาวจังแต่นางตั้งนางบรรลุแล้วผลที่นางบรรลุเนี่ยเราได้ผลที่นางทาทุ่มเทไม่รู้กี่ล้านล้านกี่โกกดอัตภาพเนี่ยทให้เราเนี่ยได้ได้พระธรรมได้มีโอกาสศึกษาคำสอนเนี่ยฉะนั้นสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยบนกองกระดูกต้องสละเลือดสละเนื้อสละกระดูก สละอัตภาพเมื่อเรามาเจอศาสนาของพระเชษเจ้าอันประเสริฐอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่ควรประมาทจริงๆนะเพราะเป็นความยิ่งใหญ่จริงๆนะนั้นถ้าเราดูจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เกื้อหนุนสัมมาสัมโพธิยานัน้นนางก็พาาัลนาเป็นไปตามลาดับเกี่ยวกันในเรื่องของคำว่านี่ไงของให้พระศ า, ศาสดารู้กรรมก็ไปเลยว่า เพื่อให้ศาสดาพระศาสดานะนะั้นบอกกรรมหรือว่านางเองบอกกรรมก็คือพระศาสดาบอกได้บอกกรรมคือการกระทําของนางว่านี่แหละการที่นางกล้าทุ่มเทยอย่างนี้นั่นแหละนางถวายเป็นพุทธบูชาแล้วนางได้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเพราะนางเห็นความสําคัญของสัมมาสัมโพธิญาณคนที่กล้าอย่างเนี้ยถ้านางจะทําสัมมาสัมโพธิญาณเองนางก็ต้องทําได้นะั่นใช่ไหม คนใจระดับอย่างนางเนี่ยยอมอยู่ในอัติภาพของการเป็นสตรีเพื่อจะร่วมบ่มเพาะบารมีให้กับพระศาสดาเนี่ตั้งแต่สี่สงไขที่แล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงจิตใจอย่างนี้เทว่าต้องแข็งแรงต้องมั่นคงต้องตั้งมั่นนางก็บอกว่าในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยนางมาขอขมาพระศาสดาว่า กรรมใดที่เคยล่วงเกินพระาศาสดามาในสังสารวัฏบัดนี้ข้าพเจ้าขอขออดโทษข้าพเจ้าจากัจากลาไปนิพพานแล้วการประชุมการพบกันระหว่างข้าพเจ้ากับท่านจกไม่มีอีกต่อไปแล้วก็คือว่ารูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้จะจะจากกันอย่างถาวรแล้วจะดับอย่างถาวรนางอายุ78 นิพานก่อนพระาศาสดาสองปีนี่ไงนี่แหละจิตใจของคนที่ที่ช่วยพระาศาสดาใกล้ชิดส่วนหนึ่งช่วยพระาศาสดาใกล้ชิดถ้าเราลองมาคิดดูด้วยเราเราจะได้สักนิดของนางบ้างของพระนางบ้างเราช่วยอะไรที่จะทำจะทําศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามเนี่ยนะ เออเราเราในฐานะเป็นเป็นบริษัทที่พระองค์ตั้งด้วยสภัญยุตยานนั่นเนี่ยดังที่ได้กล่าวว่าพระองค์มั่นใจพวกเรามั่นใจบริษัทของพระองค์ว่าจะเอาปริยัติศาสนาปฏิบัฏิศาสนาปฏิเวทศาสนาไว้ไว้ได้มั่นคงใช่ไหมจะตั้งมั่นในในศาสนาสามประการพระองค์จึงทิ้งขันธพันละบอกว่าดูก่อนมาถ้าเรายังไม่ไว้ใจถ้าบริษัทของเราไม่เข้มแข็งใน ปริยัติศาสนาปฏิปฏัติศาสนาปฏิเวทศาสนาเราจะไม่ทิ้งขันธ์านแลเพราะต่อมามานก็ไปลบเล้าวตอนนี้แข็งแรงแล้วบริษัทสีข อ, องพระองค์น่ยตั้งมั่นในศาสนาสามประการแล้วขอให้พระ อ, องค์นิพพานตามคําที่พูดไว้พระศาสดาก็เลยทิ้งปรงปรงพระชนมายุสังขารแผ่นดินก็สะเทือนสะทานวันไหวและที่สุดจริงๆพระ อ, องค์ก็ทิ้งแต่ก่อนจะทิ้งพระ อ, องค์ก็บอกว่าเราทิ้งไปหนึ่ง แต่พระธรรมวินัยแปดหมนสีพันพระธรรมขั น, น, นธ์จะเป็นโอวาทพร่ำสอนเธอทั้งหลายจะเป็นโอวาทพร่ำสอนเธอทั้งหลายแทนเราเนี่ยก็คื อ, คอตัวเราจะพร่ำสอนในฐานะเป็นธรรมกายและในฐานะที่พระธรรมคําสอนในพระสัจธรรมแล้วตรงนี้ถ้าเรามามองอย่างนี้ก็จะเห็นใช่ไหมก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยอถ้ามาพิจารณาคําสอนในลักษณะนี้ก็จะจะเห็น เห็นภาษาสดาฉะนั้นถ้าพูดว่าพุทธคุณต่าง ๆ, ๆเหล่านี้การพิจารณาในด้านของธานอัปมีศีนเนคขมาปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิฐานเมตตาและเวขาอันนี้เป็นปรมาทัตได้หลักการจริงๆเป็นปรมาทัตแต่เวลาจะสืบคน้นทําความเข้าใจหรืออธิบายความเพื่อคิดสืบฐานในเบื้องต้นก่อนนั้นสืบไปจากบัญญัตินี่แหละจากบัญญตัติจากเรื่องราวต่างๆความเป็นไปต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ เพื่อเจาะทะลุทะลวงแท้ที่สุดจริงๆก็คือว่าพาหีราทานก็คือให้ดินน้ำไฟลมสีกิ่รสโอชาธาตุไม่ว่าจะเป็นราชบัลลังก์ที่ทรงบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าทาสบริวารที่เป็นบริจาคแม้แต่ขันของนางพิมพ์พาไม่รู้กี่โกรดพักพันโกรดอัตภาพที่พระองค์ทรงบริจาคเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิยานก็คือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่บริจาค หรือขันของกันหาชาลีอ่ะซึ่งเป็นบุตรนี่นะอันนั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่บุคคลเหล่านี้ที่ร่วมกระบวนการในการที่เดินบำเพ็ญบารมีกับพระาศาสดาพระาศาสดาเก็บป ร, รินธธิพานหมดแล้วไม่เคยทิ้งเลยแม้เราใช่ไหมแม้เราเนี่ยบางพบบางชาติอาจจะไปขัดไปขวางได้ซ้ไปพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณโดยไม่เลือก โดยไม่เลือกว่าจากเอาเราบริญนิพพานด้วยเพราะพระองค์ผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านเราเนี่เป็นบุตรของท่านฉะนั้นเวลาท่านบอกว่าท่านจกโกรธบุตรของท่านได้อย่างไรฉะนั้นถ้าสาวกของพระศาสดาไปทําผิดต่อท่านเนี่ยท่านเหล่านั้นถ้าเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระหลานตาเจ้าทั้งหลายก่อนที่จะ ก, ก่อนที่จักนิพพานก็จะไปทูลขอขมาอดโทษ ท่านอดโทษในสังสารวัตรที่ผ่านมานะีที่เคยทําผิดต่อพระศาสดาคือระดับอย่างพระศาสดาเนี่ยเม้ตั้งศรัทธาไว้ในพระโพธิสัตว์ยังพ้นทุกข์ได้จะป่วยเ ก, ก่าวไปใหญ่ก็ตั้งศรัทธาไว้กับบุคคลที่บริสุทธิ์อย่างพระเจ้าจริงๆแล้วขนาดตั้งสัตทินรียไว้ในพระโพธิสัตว์นะกระแสของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายยังยังตั้งอัธยาศัยถูกเดินทางถูกได้แล้วก็พ้นจากสังสารวัตรได้ แล้วนี่ถ้าหากว่าตั้งไว้ในพระเจ้าโดยตรงแล้วถามว่าอัตยาศาัยจะเข้าถึงความหมดจดได้อย่า ง, างแท้จริงอย่างไรอย่างรวดเร็วอย่างไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้เป็นเสร็จเนี่ยว่านั้นแม้แต่บอกว่าพระาศาสดาจึงไม่โกรธไม่โกรธต่อลูกของท่านที่ท่านผูกสัตว์ไว้ในฐานะเป็นบุตรเนี่ยจะไปะทุศล้ายท่านอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาคุณในการที่จะฝากคําสอนเพื่อจะทําให้เรานั้ น, น, นได้ ค้นจากสังสารวัฏเป็นต้นนั้นแต่พิจารณาว่าสติที่เป็นไปกันในเรื่องของการพิจารณาโลกยัคุณของพระศาสดานีที่พระศาสดารำมาทั้งหมดเหล่านี้อันนี้เขาึงบอกว่านี่ไงเป็นพุทธคุณสติที่เป็นไปเนี่ยสภาพธรรมที่ระลึกมั่นเองต่ออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของสติดุดแผ่นหินที่จมดิ่งไม่ลอยเหมือนกับลูกน้าเตา เห็นไหมว่าเมื่อระลึกถึงคุณของภาษาสดาที่เป็นไปในส่วนของพาหิรทานและที่เป็นไปในส่วนของอัจฉติกทานที่ท่านบอกว่าเราตัดเนื้อช่ำแหละเนื้อออกมาเป็นทานจนแผ่นดินพ่ายแพ้เลือดที่ไหลนองจากสรีระของเราเนี่ยจนมหาสมุทรทั้งสี่พ่ายแพ้นี่นะดวงตาของเราที่ควักออกให้เป็นทานจนดวงดาวบนทอ้องฟ้าพ่ายแพ้ ศีรษะที่ตัดให้เป็นทานเนี่ยนะจนภูเขาขุนเขาสิเนรู้พ่ายแพ้ไ อ, อ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกอัจฉติกทานทานภายในเหล่านี้อันนี้เป็นโลกยะ้ะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายจะเอามาจเจริญเป็นคุณลึกเขียนคุณของวัฏฏะสดาได้เนี่ยพุทธานุสติสติที่ตั้งมั่นสภาพธรรมที่ไม่ให้อารมณ์ คือคุณของภาษาสดาสรุปก็คือรูปนามนี่แหละก็คือรูปนามของภาษาสดานี่แหละไม่ให้อารมณ์กล่าวคือรูปนามคือขันห้าของภาศาสดาเป็นต้นเนี่ยนะคือว่าไม่ให้อารมณ์คือรูปนามเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งของสติลอยหายลอยลอยลอยลอยเหมือนลูกน้านําเต้าลอยหนีจากใจอ่ะก็แปลว่าสภาพที่มั่นคงต่ออารมณ์คือแบบไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดไปแล้วและลึกถึงทานอกุศลก็เข้าใจทานอกุศลที่พระองค์ทำ ทั้งทานที่เป็นภาหิระทานทานที่เป็นอัจฉติกทานเห็นคุณของพระศาสดาที่ทํามาอย่างต่อเ น, นื่องพอระลึอกอย่างเนี้ยตั้งสัตทินซีได้อย่างเนี้ยนี่เขาเรียกว่าโลกียคุณนั้นพระองค์สละอัตภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งอัตภาพของบุคคลอื่นและอัตภาพของตนเองเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยหลายท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิก็โจมตีไม่เข้าใจไม่เห็นคุณของพระศาสดาก็ไปโจมตีพระศาสดาใช่ไหมว่า เป็นอติทานอติทานนะถูกแล้วแปลว่าเป็นทานที่ยิ่งนะถูกใช่ไหมแต่บอกว่าเป็นทานที่เกินไปเงี้ยนี่แวแย่เงี้ยเสียเลยแล้วเนะพราะไม่เข้าใจคุณของภาษาสดาว่าเขาไม่รู้ไงว่าสัมมาสัมโพธิญาณสําคัญอย่างไรและการจะได้มาต้องสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วเวลาพระองค์สละแต่ละครั้งพระองค์ป้องกันในอนาคตยอย่างไร ล้วที่สุดจริงๆพระองค์ช่วยท่านเหล่านี้พ้นจากวัฏฏทุกวัฏฏภัยยังไงเป็นต้นเหล่านี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นคําสอนของพระศาสด า, ศ า, ศาพอพอจะมองพอจะมองเห็นใช่ไหมส่วนของโลกยัคุณโลกยัคุณส่วนหนึ่งก็คือสัพพัญญตญาณด้วยนะอนาวรณายานอินทริยปรโรปริยติยานเป็นต้นหรือเกี่ยวกับเรื่องของมหากรุณาสมาปัติยานทั้งหลายนี่เป็นส่วนของโลกยคุณที่เป็นส่วนของคุณธรรมระดับสูง ถ้าเป็นโลกุตระคุณก็มรรคผลที่ท่านได้พระนิพพานานี่นแหละอันนั้นต้องน้อมต้องน้อมระลึกให้เห็นว่าอาริยมรรคอริยผลที่พระศาสด า, าได้นั้นนะ่ะตั้งอยู่บนฐานของสมาบัติอย่างกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไรแล้วก็กว้างตั้งอยู่บนสมาบัติเหล่านั้นตั้งอยู่บนกุศลศีลที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างยาวไกลอย่างไรงนี่เป็นต้นอันนั้นก็คือในส่วนของทั้งโล ก, กิยะคุณโลกุตระคุณก็คือกลุ่มโพธิปากิยธรรม 37ประการที่ประชุมในมักในอราธามรกของพระศาสดานั่นแหละอันนั้นแหละคือเป็นกลุ่มของโลกุตรักขุนของพระศาสดาบกยิ่งใหญ่ตรงนั้นอันนั้นเขาเรียกปฏิเวทธรรมจักเซึ่ยงเป็นสภาวะที่แทงตลอดเป็นปฏิเวทธรรมจักรก็คือพวกโพธิปกักขิยธรรม37ที่ประชมุมในมักผลอันนี้ก็ให้เข้าใจในส่วนของโลกุตรัขุนแล้วก็โลกยคุน ฉะนั้นในส่วนของพุทธคุณทั้งหลายเวลาจเจริญไปแล้วเนี่ยจึงได้อุปจารลสมาธิและเป็นอุปจารลสมาธิที่ที่ที่ไม่เข้าถึงอั ป, ปนาสมาธิเพราะคุณนั้นลึกซึ้งมากคุณนั้นลึกซึ้งมากยากยากที่สัตว์จะยังเห็นน่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราสามารถประมวลคําสอนได้เนี่ยที่สืบค้นทั้งเรื่องราวต่างๆจนเจาะเข้าถึงสภาวะความจริงของปรมัตถธรรมเราเนี้ย ของคุณของภาษาสดาก็จะเห็นแล้วก็จะเจริญได้หลายๆท่านถ้าจะเจริญเบื้องต้นก็จับทีละข้อทีละประเด็นนะจับทีละข้อทีละประเด็นอย่าไปอย่าไปยไปไหลลื่นไปทั่วอาจจะอาจจะทำสัตทินรีให้ตั้งมั่นไม่ได้นะในสุดจริงก็ไปทีละประเด็นแล้วก็ระลึกซ้ำซ้ำ แล้วก็ค่อยๆไปที่เราประเด็นแล้วก็ซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะนั่นแหละสติจะได้ที่อาศัยถ้าหากว่านั่นแหละสภาพที่รักษาข้อปฏิบัติที่มีประโยชน์หรือสภาพที่ให้เราเลือกอยู่ในกุศลคือความดีทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้ใจหลุดไปได้กิจรัศาสาก็คือกําจัดความประมาทขาดสติที่ทําให้อารมณ์หายไปได้นะคือรักษาอารมณ์ในการเจริญได้อย่างมั่นคงนั่นคือกิจราศาสก็เจริญ ตัวนั้นได้ตัวนั้นดีกว่าตัว้นดีอคือเข้าเข้าที่เข้าในการเข้าแบบตัวนั้นดีกว่าอ๋อเจออะไรบ้างเออเจบฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าในส่วนของการระลึกคุณแท้เนี่ยนะตัวคุณแท้เนี่ยเข้าในหลักของธรรมานุภาสนาอยู่ใช่ไมเพราะตัวสติระลึกถึงคุณธรรม ต่างเนี่ยสภาวธรรมทั้งหลายถือสภาพสภาวธรรมหรือบา ร, รมีธรรมทั้งหลายที่พระศ า, าสดาทรงกระทำมานั่นเองนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไประลึกถึงดินน้ำไฟลมทั้งหลายเหล่านี้น ะ, ะดินน้ำไฟลมทั้งหลายต่างๆล่านี้ก็ไปกําหนดในด้านของรูปะขันไปหรือกลุ่มกับคุณธรรมทั้งหลายของพระศ า, าสดาที่เป็นไปในส่วนของโลกีญะคุณทั้งหลายนั้นก็เวทนาสัญญาสรุปก็คือยีบเอขันห้า มาไข้ควรอย่างนี้เป็นต้นก็ได้แต่จริงๆท่านขับเน้นลงสู่ธรรมานุปัสสนาไอ้ตัวนั้นชัดเจนเลยพอจะมองเห็นสติปัฏฐานเนียอย่างเนี้ยว่าพุทธคุณเป็นสติปัฏฐานเป็นปัจจัยการบรรลุและเป็นปัจจัยในการแทงตลอดได้นี่ถามบอกว่าบรรลุยังไงเนี่ยตรงนี้นะพอสรุปคุณของพระาศาสดาที่เป็นไปตามลําดับอย่างที่อเอามากล่าวอันนั่นจะ ใครอาจจะมีความคิดที่วิจิตมากกว่านี้ก็ได้นะซึ่งออมาก็แค่นำล่องล่องเล็กๆแค่นั้นเองแต่มีล่องคําสอนหรือคุณของพระศ า, าสดามากมายกว้างใหญ่ไพศาลนะักที่ที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายหรือผู้สืบค้นคําสอนทั้งหลายก็สามารถที่ตามลึกได้เป็นต้นอะไรเนี้ยพอสภาพของศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมในอุปจารสมาธิได้แล้วมีคุณของพระศ า, าสดาได้อย่างลึกซึ้งแล้วอันนั้นเขาเรียกว่ากําจัด ทำที่เป็นปฏิบัติต่อต่อสมาธิได้ก็คือว่ากําจัดกามฉันทะได้ในเนคําม่าเนี่ยนกะำจัดพยาบาทได้ได้แนละ้วความโกรธความพยาบาทได้เพราะเข้าถึงอุปจาระกาจัดถีนมิท้าด้วยอโลมกสัญญากําจัดวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมใช่ไห ม, มเพราะว่าจริงๆวิจิกิจฉาน่ยไม่แน่นอนใช่ไหม พอสติทำกิจเบ็ยเศษศรัทธาทำกิจเบียเศษอ่ะศรัธทรธาก็จัดการทำลายวิจิกิจฉาเกลี้ยงเลยแล้วก็กำหนดแน่ในคุณของพระาศาสดาแล้วก็กำจัดอุทธะจ่ะคือควา ม, gelir, วามพุ่งสั้นด้วยความตั้งมั่นสมาธิเริ่มตั้งมั่นในคุณของพระาศาสดาแล้วก็กำจัดอารติความไม่ยินดีด้วยความยินดีด้วยความใส่ใจอย่างล่าเริงในคุณของพระศาสดาแล้วก็กำจัดอวิชชาด้วยญานะคือปัญญาเข้าเห็นคุณของพระาศาสดากำจัด กุศลธรรมทั้งหลายโดยกุศลธรรมทั้งหลายทําที่เป็นปฏิปัติต่อสมาธิแปดประการก็ถูกทําลายโดยอุปจารสมาธิที่มีคุณของภาษาสดานั่นแหละอันนี้แปลว่าสําเร็จแล้วนี่เขาสำเร็จอุปจารสมาธิแล้วเมื่อสําเร็จอุปจารสมาธิตรงนี้นี่แหละก็เดินวิปัสสนาอย่างออกเนี่ยเขาเรียกมีฐานสมาธิของการเจริญวิปัสสนาแล้วเขาอุปจาราแล้ว ตรงนี้นี่แหละก็ทําจนช่ําชองจนชํนานาญเดินจนสมาธินั้นชํนานาญเบ็ดเสร็จแล้วก็เริ่มใคล้ควรตอนนี้ก็เริ่มรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะตามกลุ่มรูปธรรมานามธรรมา ท, ทั้งหลายนี้เริ่มไปวิจัยเพื่อให้เข้าถึงความหมดจดบริสุทธิ์และนี่ก็จะไปเจาะวิจัยตามทวารทั้งหลายก็ได้ทางจากอุฏาวร์หรือจะเจาะวิจัยเกี่ยวในเรื่องของกลุ่มอุปจารสมาธินั่นแหละถ้าจะสืบพร้นเข้าไปนี่นะ ว่าตัววิตกวิจารปิติเวทนาเอกคตาที่ประชุมในอุปจารลสมาธิและธรรมที่เกิดร่วมกับสมาธิสืบค้นไปดูวัตถุที่อาศัยของของสมาธิเหล่านั้นแล้วก็พุทธรูปมาครพุทธรูปในกรรชกายทั้งหลายก็เริ่มวิจัยทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายก็เห็นความเป็นไปของอะไรเป็นรูปขันอะไรเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิยาณความบริสุทธิ์หมดจดเกิดขึ้นตรงนี้ก็เรียกทิฏฐิวิสุทธิ สาวเห็นเหตุปัจจัยของนามธรรมารูปประทามเหล่านั้นก็เป็นกังขาวิจารณวิสุทธิแล้วก็ยกรูปนามกัน5เหล่านี้ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นไหมนั้นะทั้งนามรูปบริเคทยานปัจจะยาบริขหายานก็อยู่ในลักษณะรักษาปัจจุบันและปะัจทฐานเหตุกายเหตุกายเหย็นไหมชัดเจนเลยก็คือลักคณาจิตกะ ก, ก็ชัดแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในความไม่ที่ยังเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาวิจัยเป็นไปตามดับในซึงก็ละคายถ่ายถอน เริ่มตั้งแต่ต่ทางก็ประธารเป็นต้นจนถึงสมุชเชท่าประธารประชุมในมาร์โค่นนี่ช่องทางอย่างนี้เป็นสติประธานพอมองเห็นนะนี่เป็นไปรักใน น, นนี้อันนี้อันนี้อันนี้ยอ่อหลายรอบแล้วมั้งแบบนี้ <c oughs> แตอนนี้ตอบได้อยังว่าพระเคุณเป็นสติประธาน <c oughs> ได้ที่ยังใครใครไม่ได้อ้งได้แล้วก็เบรกกันหน่อย <c oughs> เพราะได้แล้วใช่ไ้ยได้สติประฐานหนึ่งข้อแล้ว <c oughs> จิตตานุปัสนาถึงพุทธคุณเลย <c oughs>